ฟังธรรมเราอาเป็นสังฆะมู่สง์ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามีธรรมวินัยเป็นาศาสดาแทนพระองค์ปฏิบัติตามธรรมวินัย แต่ลวงกลเป็นหมูม่คณะมีกำลังขนส่งทรไม่ในเป็นขนส่งให้จิตวิญญาณเราคข้นจากปัญหาเรียกว่านำไปสู่สุดหมายปลทางอันวิเศษคือธรรมวินยัยคือมรรคผลนิพพานาศาสานี้มีธรรมวินยัย เรื่องมีทำว่นหนก็มีมรรคผลผนิพพานทมวินหนก็อยู่ในคนมีกายมีใจปฏิบัติตามทมวินัยจึงได้เบียดเบียนตนจึงได้ปีเปลี่ยนคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นจึงนั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยจึงใดเพื่อเห็นเจืะตัวมากๆ คุกขีไม่ใช่ทำไม่ใช่วินยัยจิงใดที่เป็นการทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ทำวินยัยถ้าเป็นทมวินยัยเป็นตปเพื่ความไม่เบียดเบียนตนเป็นไปเพื่ความไม่เบียดเบียนคนอื่นจึงในวัตถุอื่นเ่อ สันโดดอยู่เรียบง่ายไม่คุกคีแบ่งปันไม่สะสมไม่เห็นเจอตัวก็เกิดการวิบูต์หลุดพ้นขนส่งได้จริงเหล่านี้ตัวใครตัวมันขนส่งตัวเอาเองโดยเพราะภาพวิชากรรมาฐาน แต่วิชาการขนส่งทั้งกายทั้งใจทันทีมีสติปปในกายอยู่เป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจอันเกิดขึ้นจากกายจากใจออกได้มีสติปในกายอยู่เป็นประจํา เห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของมาใช่ตัวตนในขนส่งเหย้าสุขมาเป็นสุขเหยวทุกมาเป็นทุกเยวพอใจความไม่พอใจมาเป็นตัวเป็นตนผ่านไปแล้วการหลุดพ้นการผ่านเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่ยานทัศนะไม่ใช่ความรู้ ได้ใช่ความสงบไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์จุดหมายปลาทางขอความหลุดพ้นเรียกว่าธรรมวินัยมาใช่ลาบสกเลาะมาใช่เสียงเสือเย็นโยไม่ใช่หมูมิตรพวกพ้องบริวารไม่ใช่ยานทัศนาความเห็นลู่ยิ่งอะไรต่าง คารู้อาจจะรู้ได้เห็นอาจจะคิดเห็นได้เห็นผิดเห็นถูกได้แต่ไม่ขนจงก็มีเหมือนกันห้วอว่าสีนี่ไม่ดีจีนี่เป็นทุกข์ก็ยังถึงก็ยังเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีอันนี้ยานทัศนะเฉยๆเมื่อมียานทัศนะเกิดขึ้นต้องมีวิมุต จึงจะใช้ได้เมื่อนเราเห็นทางก็ไปพบทางก็ไปเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางความเห็นคืออะไรความเห็นแล้วก็ไม่เป็นนั่นแหละเรียกมืดเห็นไม่เป็นการเห็นเป็นญาณทัศนนะการไม่เป็นเป็นมืดตรียตนะ อยู่กับชีวิตของเรานี่เองมองไปข้างหลังเป็นไงผ่านเอไรบ้างแต่ก็เคยผ่านชีวิตมาแบบหลา ย, ลายโรสชาติมันต่างเก่าไหมเวลาเรามาปฏิบัติตามทมด้วยนายต้นพะวาเก่าไหม ควาหลงเป็นหลงความทุกข์เป็นทุกข์หรือไมความหลงได้ปัญญาไหมเกิดยานเกิดวิมุตติหลุดไหมความทุกข์เกิดยานทัศน์เกิดวิมุตติหลุดได้ไหมแล้วก็เป็นความชอบถ้าทำอย่นี้อยู่โดยชอบหรือว่ารรมวินยัย สักเมพิกเวเพคุสัมมาวิหารเลยุงอสชนโยโลโกโลหลันเตหิอัตสัภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบใช้โลกจะไม่ว่างจากภาลังนั่นคืออยู่แบบมีสติเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนอะไรเป็นรูปไปทั้งหมดนี่คืออยู่โดยชอบ ถ้ามีหลงเกิดขึ้นเมื่อใดก็มีงานการเพร่อต้องพัฒนาควาชั่วต้องพัฒนาความผิดต้องพัฒนาอย่าปล่อยเที่ยงไว้ที่เป็นอาการที่เป็นอารมณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นกับกายกับใจมีอาการที่เราทําให้เราได้พัฒนามากมาย เรียกมัอนว่าอาการลไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกไม่ต้องเรียกว่าพอใจไม่พอใจนั้นหลายเรื่องถ้าผู้ปฏิบัติรวมลงคำเดียวเรียกว่าอาการที่เกิดกับกายกับใจเป็นอาการก็ต้องมีอาการได้นอน กายเขาเลาใจเขาเรามันคนเป็ น, ปนยังไม่ตายจยูกัสก็ต้องเกอบแดดออกก็ต้องอนั่นละองฝนต้องหนาวเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจเพราะมันมีรูปมีนา้อาห็พัฒนาตรงนี้ให้เห็นปฎิากาไม่ใช่เราเป็นไปกับอาการต่างๆาแยกให้เป็น อยเป็นรุ่นเป็นก้อนได้ว่าขนส่งมันสูดพ้นมันพ้นได้จริงจริงนเราจะเคลื่อนย้ายอย่างนี้ไปทุกอย่างให้ทําลักษณะแบบนี้แล้วก็สุดปลายปลาทางเมื่อมีแฉ ก, ก็มีไม่แฉกขนส่งไปเมื่อมีเจ็บก็ขนส่งไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ขนส่งไม่ตายไม่ตายเพราความตายไม่เจ็บพเพราะความเจ็บ ไในสุขผกผอมสุขในทุกข์ผกผอมทุกข์ากมากบานตัวเดียวล็อกตรวเดียวเป็นตัวเฉลยวิชากรรมฐานวิชากรรมเอเดียวอ น, นัชเชื่อได้อ น, นัชเชื่อไม่ได้อยู่ในเพศใดภาวะใดเหมือนกันหมดเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรม ควหลงไม่เป็นธรรมก็มไม่หลงเป็นธรรมความสุขความทุกข์ไม่เป็นธรรมก็มไม่เหนือสุขเหนือทุกข์คือเป็นธรรมชีวิตเรามันเลือกได้เวลาเราโผล่โผล่กรรมฐ า, านสนุกเลือกสนุกพัฒนาเป็นกอบเป็นกำขึ้นมามีวดัดมี อุปกรณ์ให้ใช้ในเครื่องมือให้ใช้ไม่จนแต่ร่างกายนะจิตใจเรานี่ในรูปนามนี่มีทาที่เป็นเครื่องมือมากมายอย่างที่เราสาธิายพสูตรเมื่อกี้นี้ถ้า เ, เปรียบเทียบอุปกรณ์ทงานทํานาทําปรึกสอนอะต่างๆครบปด มีสุทธามีสุติมีความเพียรมีสมุทิมีปัญญามีศีลมีการสมรวมอินทรีย์ทั้งหมดเลยเป็นเครื่องมือให้เราใชา้อย่างงดงามชื่อสัตว์ถ้าจับมาใช้ถูกก็ซื่อสัตว์ตาความมีสุติ จะไม่จนเปยงกับพิบตาก็เป็นอุกรณ์ให้เกิดยานความรู้ขึ้นมาได้เคลื่อนน้ำลอยยิ่งเรามาหายใจก็เป็นเคลื่อนไหวก็เป็นยิ่งมีพลังขับเคลื่อนได้ดีหลายพลังที่รวมกันเป็นสังฆะอยู่กับการปฏิบัติ เลยแย่เฉินมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยสติมาช่วยปัญญามาช่วยศรัทธา ม, มาช่วยเมตตากระด้า ม, มาช่วยเป็สะธรรมิกในชีวิตของเราสมบูรณ์แบบนอกจากสะธรรมิตรในตัวเรานั้นมีสะธรรมิกเป็นเพื่อนเป็ น, ป น, ป น, ปนมิตรนั่งอยู่ที่นี่มีทั้งหมู่สงมีทั้งมาสิกา มาสุขแมคือ เ, เป็นสาธา ร, รมิกไม่ใช่เราทำคนเดียวอุนใจเดี๋ยวคนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมูอยู่กับหมูก็เหมือนกับอยู่คนเดียวเดี๋ยวอะไรที่เราได้มีสติหรือได อุทานออกมาว่าพุทธังสรนังคัชามิหมายถึงมันยิ่งใหญ่ที่สุดนะเอาอยู่ในดงในป่าดงชาด ง, งเสียน่าจะว่าพุทธังสรนังคัชามิธรรมังสรนังคัชามิสองขางสรนังคัชามิม น, นก็มีเมสันธมิกเพื่อน เราสัางเกตเห็นช่างก็ช้างเป็นมิตรกันเลยเห็นเสือก็เสือเป็นมิตรกันเลยไม่ได้เป็นศตรูอสักอย่างถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเองได้มีเป็นมิตรกับคนอื่นจริงๆง่ายมากมองกันแบบมิตรกันเลยถ้าว่าเรายังไม่เป็นมิตรกับตัวเอง มีจิตก็มมั่นใจจิตมีกายกม็มั่นใจกายตาหูคนไมมั่นใจแล้วแต่เขาจะใช้อันนั้นเรียกว่าไม่มีมิตรมิตรจะศัตรูเก็บก็เป็นเจ็บเราศัตรูทุกก็เป็นทุกศัตรูโกรธก็เป็นโกรธเรื่มีศัตรูหลงก็เป็นหลงเรื่คนมีศัตรูวันนี้ศัตรูเป็นมิตรพัฒนากลายเป็นมิตร มาผิดเป็นเป็นถูกได้ว่าปัดฏิบัดธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากกับใจเราเนี่ยเปลี่ยนได้ทั้งหมดยิ่งใหญ่นะชีวิตของเราเนะี่ยวุ่นโกลวัดธรรมที่เป็นเครื่องมือเนี่ยยิ่งใหญ่ เป็นธรรมอะไรทช่มันไม่เป็นธรรมเมื่อใช้ธรรมลงไปยิ่งใหญ่ลองดูจิมองแยบพ่ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมยิ่งใหญ่เหมือนกับเหมือนกับอานาจเบิกบานขึ้นมาความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมยิ่งยหญ่ ทำย่อมชนะธรรมอยู่เสมอปัจจุบที่เห็นที่ไม่เป็นยิ่งใหญ่ทุก็ไม่เป็นสุกทุกก็ไม่เป็นทุ ก, ก, กปัจจติที่เห็นยิ่งใหญ่ไม่เป็นยิ่งใหญ่เหมือนอาวุธเห็นแล้วก็ทำข่าวเดียวกันเป็นพลัง เังกว่าสังฆในคุณธรรมเป็นพลังก็ทำให้ขับเคลื่อนหลายๆด้านเหมือนไม้ขวดสังน้ำผ่าวเช่นน้อยๆเมื่อเหล่ารวมกันหลายๆเข้าก็เป็นพลังขับเคลื่อนกวดเึ่งสก ป, ปกโสโคกออกได้ ไม่กวดผ่านไปที่ใดสิ่งศกสิทธกก็ออกไปหลังธรรมหลังสีธรรมพ ร, ร, ระพุทธเจ้าเคยได้อยู่ในสภาพนี้สัพพลังสีอาทิตย์ที่ ที่สามฉับพลังศีลหลังศีแห่งธรรมเกิดขึ้นสึ่งที่เศร้าผงออกจากชีวิตจิตใจได้บริสุทธิ์ผุดผ่องมีอยู่จริงนะ สภาะลังสลังสีในมิถุนีดีถูกไม่ถูกเพฉะนั้นในการปฏิวัติธรรมนั้นมั น, มนเป็นถ้าจะพูดถึง ตนตรีชีวิตก็ว่ได้งามเป็นสุนทรีชีวิตก็ได้งดงามนามในการไม่เปิดเพื่อนในจิตปัญญาในมั่วมองไม่หมกมุ่นไม่ยุ่งเหยิงเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นละเลียมทำช่วยแต่แรกแล้วก็ อาจจะรักษาศีลต่อไปศีลจะรักษาเราทำสมาธิต่อไปสมาธิจะรักษาเราปัญญาจะรักษานั้นอาจารย์พุทธาตว่าทิพิดาของท่านมีตั้งแปด0มืนสี่พันนาง หมายถึงธรรมทธิดดาของคุณเราจะเป็นกี่คนเราจะซือตรงต่อคนหมายททิดดาของคุณเดิมเพื่อนเปเล่าเรื่องสาวงามที่เลือกได้อาจารย์พุทธาเราก็เราก็มีสาวงามเหมือนกันนะ มีเทพพิดาของเราวังกันแนะ่ดหมื่นสี่พันนามศีลง่าธรรมง่าสมาธิปัญญามีมุติติอะไรต่างๆมากมายเป็นเทพพิดาไม่มีวันที่ทุกผู้ปฏิบัติธรรมธรรมโยกสะร่อมรักษาผู้ปฏิบัติ ทำให้ตกไปในที่ชั่วคือเทพที่ดา่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำให้ตกไปในที่ชั่วทำย่อมรักษาผู้พฤติทำอยู่เป็นนิดนี่ถ้ามีแล้วทำไม่น้อ <c> ย <oughs> เป็นเช่นนั้นไม่จนไม่เสียชาติ ที่เกิดแต่ใช่ากายใช่ใจใช่ากายให้ปฏิบัติถ้าใจให้ปฏิบัติธรรมมีกายมีใจเพื่อให้ปฏิบัติตามธรรมถ้าใช่ไม่ถูกก็เป็นผิดเป็นความผิดพลาดเป็นนรกได้กายใจของคนเราได้เป็นเป็นปนรกได้ ถ้าใช่ถูกก็เป็นสมณิพนานได้จึงจะเป็นต้องปฏิบัติธรรมกันไอ้เพราะสติสามปัญญาหาาปฏิบัติปัจจุบันนี้เราได้ใช่พัฒนาชีวิตยอย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยยิ่งพวกเรามาจุเวศป่าลามเป็นนักปวดยิ่งเวลามาอยู่ใน ต่มาสามเดือนยิ่งมีโอกาสได้มาอุ่นอกอุ่นใจเป็นมิเป็นเพื่อนกันนะไม่มีอะไรที่จํทำให้เราต้องขนขวายมากมายชาบ้านศรัทธาเจ้าจ่องกวสนับสนุนที่อยู่อาหารการฉบฉันเชื่อเครื่องนุ่งห่ม มันที่ไป่ารว่าเจ้าคุณเจ้าพระจังหวัดอาจ า, จารย์ตุ้มเอาอะไรไปถวายเจ้าคุณอ๋อโอ้ยอท่านเจ้าคุณคงไม่อดไม่อยากนทั้งหมวเราก็ไม่อดไม่อยากเหมือนกันเราก็ไม่อดไม่อยากเหมือนกันอย่า ง, งอนพิงหงอนเพิ่งอะไรต่างๆใช่แล้ว นี่คือเราจะได้ความสะดวกแบ่ ง, งกันกันเราก็ไม่อดไม่อยากสามารถให้คนได้นี่คืออะไรที่เป็นอย่างนี้ทรทร ม, รรมพาให้เราได้อาศัยถ้าไม่มีสินไม่ทแล้วก็ ขอทานดันั้นจะเรียกว่าบุญก็ได้สวรพ น, นิพพานก็ได้ผู้ปฏิบัติตามธรรมไมชโจรผู้ลอยอย่าให้ขาดแฉนพวกเราไตบ้านสามเหลือนนี้อย่าทิ้งการปฏิบัติไม่วีกิจการงานอะไรต่างๆก็ ให้ให้เป็นโสนักได้ทั้งธทมได้ทั้งงานในอาจารย์พุทธทาโตว่าการทํางานคือการประพฤติธรรมห้อมกันไปหลายส่อมไม่ข้ายิ่งเหมือนคนฉลาดจิดเด็เดียววิ่งเก็บนุกหลอยพุกเลยได้ทั้งงานได้ทั้งรรมเปี้ยฉลาดตงว่าเป็นนักทํางาน ไม่กลัวงงาน <c oughs> แล้วก็ได้ทาด้วย้างทีไปอยู่สวนโมกเพื่อนพระหนุ่มๆ ม, มาถามอาจารย์มีงานอะไรทําอยากทํางานเหลือเกินเนียนะพระหนุ่มๆก็มีกันลังกันลัง จะ อ, อุโมงอยู่พุทธทองเขาพุทธทองงไปช่วยบ้างมาจะทำ อ, อุโมงเขาพุทธทองกับจานบัดหยัดงัดก้อนหินปิ้งลงเขาเอามาทำเป็นลานหินโค้งพวกขนก้อนหินที่เรากิ้งลงจากเขาขนมอทำก่อ เห็นโค้งโก้ลงหอยจบทางวิญญาณวางตามต่างๆงานนักงัดก้อนเห็นยกก้อนเห็นนสิทธพระนุน่งเราก็ไม่กลัวงานกันสมัยก่อนนอกจากมาสร้างทางขึ้นภู้อง มันมันแรงงานมากมันไม่ควงงานดังแผนว่ามีเงินสองหมื่นบาทจะมาสร้างทางขึ้นภูคงแต่ก่อนทางขึ้นไม่มีผ้าอของเข้าศาลเลยก็คืยกระจายกันขึ้นเขาหลุดไม่คานสมัยก่อนะปีนเขาขึ้นมาแล้วก็เดินตามเขาหาเข้าชาวบ้านขึ้นลงดู โอ้โหมันไม่ใช่น้อยสามสิบกิโลสี่สิบกิโลเนี่ยหาบขึ้นเขาเน่ยออหาบกับชาวบ้านชาวบ้านก็ให้หาบหาบตอนขึ้นมานะโอ้มันไม่ใช่เหงื่อมันอยากตายก็ทำทางขึ้นเขาปีนั้นนายเพอหาลุกพง อาลูกชายมาวัดที่นี่าถามท่านไหนเปิจะขอซื้อเครื่องระเบิดหินนี่ได้ที่ไหนซื้อระเบิดหินเอามาระเบิดอะไรเอามาระเบิดทางขึ้นเขาจะทาทางขึ้นเขาถ้ามีระเบิดอย่างที่เขาใช่ก็จะดีนะมันไม่ได้ มันผิดกฎหมายจะไปซืแอระเบิดเห็ดดินระเบิดมาใช่มาได้ผิดกฎหมายล้วทำไปเ จ, จะได้ทางก็ต้องก่อไฟสมว่าจะไปประกดทําทางขึ้นเขาแล้ว ก็เลยไปพูดกับนายกคึกฤทธิ์ว่าจะพอทําทางขึ้นเขาได้ไหมเข้าสุสานา <c oughs> นายกคึกฤทธิ์ก็ก็ทางไงงงบกำลั ง, งามาทําทางขึ้นเขาเท่าทุกวันนี่แหละเกิจใจว่าจะทําเองก็จะซื้อดินเบิดมันเบิดหินนะกะเ็เลยทางขึ้นเขา จริงๆว่าจะทำนะแล้วไปซื้อขวานมาจากอินเดียเห็นคนอินเดียเขาฟันหินขึ้ น, นทําำมาชันตาขวานใหญ่ฟันหินชุ้อๆๆซื้อมาว่าจะมาฟันหินขึ้นเขา <c oughs> คิดวามันไม่กลัวงานสมัยมเป็นหนุ่มเนาะ เห็นพระเราก็กยันพระนมกยันทํางานยิ้มแย้มเจ่ ม, มใสก็ดีเหมือนกันแต่อย่าลืมทํานะถ้ามันทํามันจะบ้างานก็มีนะบ้าทํางานมัธีอยู่กับอาจารย์พระธาตุบ้างานนะพวกนี้ถ้าทําอะไรที่มันกับพื่กับเพียด ล, ล, ล, ล้มเลืมม่อมางานยึดไม่ต้องทำํทำทมานนี้อย่างพระธาตุเจ้าพระ อาบน้ำเบี่ยงบ้านเดินสักไ้เท่าก่อปไปดูบ้าทำงานยอย่างนี้ไม่ควรทำเรีนพระธรรมดำคำเกียดตถูกด่ดาลีกเล่นเขียนดา่าพระที่ทำงานทางานบ้าทำงานบ้างานเหมือนกันเดิมสติเหมือนกันนะ เราต้องใส่ใจการทำงานเหลาชี่กดเหาตีนหมาดเราไม่ยุ่งเหลาเช่นเด็กๆ เ, เราเราถ้ากำลังจะได้ก็หักลงหักมันจะเสียใจไหมเวลาเหลาแล้วมันหักเหลาแล้วหักเหล่าเราก็าพยายามเหลาได้สองอยเส้น อันนี้อยากทำความเพียนท้าถายจริงใดที่มันยากจิตใจจะเป็นยังไงนี่คือทำปฏิบัติตามทำเอาไปทำงานทำงา น, านด้วยปราณีตมากมีสติจิตใจดีๆถ้าจิตใจหยาบคลายอาจจะทำงานด้วยไม่ค่อยสนุกไม่ใช่สนุกพ็ทำงานการทำงานก็การประบฤติธรรม สนุกเพรการงานไม่ใช่ไม่จะมีไม่จะเป็นทุกข์าทำ ง, งานเป็นทุกข์ก่อนจะหยุดเสียทํา ง, งานประจุกทำปอยมีเหมือนกันไหมก่อนพระง่วงนอนอาจารย์อาจารย์าจะมีขุดช่วงที่ไหนบ้างเนี่ยมันง่วงเหลือเกินอยากขุดช่วงเอาขุดที่นี่ไปดูขุด ขดช่วมันก็เห็นพุทธญาณเป็นเห็นเห็นต้องใช้ขึกฉึกกดออกไอ้กดตัวนี้เอาขดช่วเหงื่อหลอยอาบน้ามาปฏิบัติเตินจังกมรมต่อแล้ง่วงอีกขดช่วอกีกจนขดชั่วได้สำเร็จแจ้งขมง่วงแล้ว่วงก็ไม่ขดถ้าเวลาง่วงทีเดียวับฉึกขดช่วนาที ่าอาจารย์จันยังอยู่ทุกวันนี้เป็นอุปชาที่อยู่โดนเพื่อนกันสมนัยก่อนอยูด้วยกันนอ่นอนให้กูช่วงก็มีเหมือนกันนาะกรานการทำงานคือการประพฤติ ธ, ธรรมแต่ว่าเราก็เทียนไม่ชอบนะการทำงานนไม่อยากให้ใครทำงานอยากให้ปฏิบัติ บางอย่างก็จําเป็นห้องน้าไม่มีห้องส้วมไม่มีปติก็ไม่มีอาศัยที่นั่งฉันก็เป็นภากไม้ภายกีวอขาดเอาขาดเอาไม้ไผ่เนบเวลานั่งฉันโดยเลื่อยจำเป็นต้องเรื่อยไม้มาปูอันนี้ก็มันว่าแต่ว่าอย่าทิ้งปฏิบัติธรรม ที่วเาเวลานี้ก็มีการทำงานเพราะหนุหน่มๆก็ยิม้มยมแจ่มใสทำงานสนุกจะริ่ืมปฏิบัติอาโจงก็จะเาลืมปฏิบั ต, ติจะทำน้ำพิก็มีสติหันผักก็มีสติทำงานคือการประพฤติธรรมถ้าไม่หัด จิติก่อนจะทำไม่เป็นจะต้องเริ่มต้นสตาร์ทด้วยการปฏิบัติธรรมก่อนมันจึจะเหมาะใจการทำงานใช้การใช้ใจเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเลยเย็บจ mm hmm. ีวนตัดจีวรเหลาชีกฏสร้างกฎถักตลกบาทแต่ก่อนต้องทำเอาเอง สาตะคตก็ทาเองแต่วันนี้ศรัทธาชาชงรุ่นเหลือใช่ไหมหมดเลยตลกบาดก็ไม่ได้ทำตะคดเองก็ไม่ได้ทำให้อดที่ว่าเราก็มีเยอะแยะแต่ก่อนไม่มีต้องทำเอาเองตะคดเอวตลกบาด กดก็ต้องทำเองจ้งบ่ต้องทำเองนี่คือปฏิบัติธรรมนใช้ชีวิตชอบไปหลายอย่างแต่ใช้ชีวิตชอบไปทุกกรณีเป็นผู้ที่รักษาสร้างสอนปกครองคนก็ได้ คองคนคองตนคองงานคองศิลป์องธรรมถ้าจะพูดแล้วอู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการทำงานเหมาะแก่การงานถ้าปฏิวัติธรรมแล้วเหมาะแก่การทำงานทำการอันชคเนี่ยงชีตชอบการงานชอบความเพียรชอบตั้งใจชอบตั้งสติชอบ กาปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจากการปฏิบัติเพื่อการงานจริงๆทุกเป็นทุกสุขเป็นกส์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงไม่ได้ไปได้เด็ดขาดเห็นกอนอื่นดสิ่งเหล่านี้อันอื่นทีหลังแต่เรื่องนี้มันตรงตรงหน้าปฏิบัติตตรง ปฏิบัติตงปฏิบัติโอครับทุกต้องเปลี่ยนให้เป็นดีจนได้สิ่งที่เกิดขึ้นปลายกับใจเราดีไม่ปล่อยทิ้งปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันงาไล่เป็นดีมาอาไร่เป็นดีมาผิดเป็นถูกมาผิดเป็นถูกทุกเรื่องจะเป็นสิ่งที่ไหนก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้ เปนหลักเดียวคือเหมือนกิดมีจตุทุกท้นเกิดขึ้นมีจตุทุกท้นตั้งอยู่มีจตุทุกท้นมันดับไปอาจะพูดไปพูดนี้ก็ได้มีจตุทุกท้นเกิดขึ้นมีจตุทุกท้นตั้งอยู่มีจตุทุกท้นดับไปอะไรไม่มีนอกจากนี้ไม่มีหละมาถึงกิเลสเครงเศ้าโศกไม่มีแน่นอน นี่คือปฏิบัติธรรมแต่ไปชีวิตอยู่ไปเป็นเดือนเป็นปีก็กได้แต่ว่าปลอดภัยไม่มีภัยแล้วชีวิตที่ไม่มีภัยเรียกว่าอาริยะบุคคลอริแปลว่าข่าศึกยะคือพ้อนฆ่าศึกลักษณะจากนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม รียบตวนจังหน่อยเราโดยเฉพาะผู้มีอายุตั้งหลายเพื่อนกันเราลักคนแก่อย่าให้รียบตวนอยากได้คนแก่มาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันคนหนุ่มก็ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่คนแก่แล้วเนีหยชาไม่ได้เลยรียบตวนจังหน่อยกระตือเรื่นหลงไ่ได้ทุกไปได้ ให้จัดเจนเรื่องนี้โลภครบอบเรื่องนี้มีสติเป็นหน้าโลภเรื่องนี้ให้แม่นยำชัดเจนฑ์แยบขายหลงไม่ได้ทุกข์ไม่ได้พอใจไม่พอใจไม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ให้โลภครบอบอย่างนี้มันต้องเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดมันถึงมกักถึงผลมาได้น ะ, ะโดยพวกพวกเราผู้มีอายุเนี่ย เปิดเพื่อนมาับสิ่งต่างๆในโลกรดของโลกเราเรียกเวนอนจหน่อยเข้มแข็งเด็ดขาดกว่าคนหนุ่มก็ได้แต่คนหนุ่มก็เด็ดขาดก็ยังดี่าได้มีชีวิตยาวนานมีความสุขเปยาวนา น, น, รรา น, านบริสุทธิ์พุดพองไปยาวนานหมาะแก่การานทุกอย่างจะเญยงอกงามขึ้น พวกเราคนแก่ไม่ไม่มีอะไรเจริญนกับเราหรอกจะเลื่อในส่วนตัวก็หนุ่มเมื่อมีธรรมมาเจริญเป็นรลายอย่างแผ่นดินไม่ถิน่นไม้ชายสิ่งเวดลอมเจริญไปหมดเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พึ่งพาใจของสัตว์ลกูกแล้วเราคนแก่นี่เอาละส่วนตัวส่วนตัวได้เลี้ยงลกูกเลี้ยงหนานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วงออยู่อย่างนี้ประเทศไทยชานาพุทธ เขาสงแบบไทยๆว่าทำไทยๆมาอยู่ด้วยกันอะเรียบรว่องร่องนี้อยา่าหงหน้าหงหลังเลยมากมายเฮ้เ <c oughs> พียนอน <c oughs> วรณ์ในยุบ า, านตะรอย่างเงีานไหนลูกหลานคำว่าคำวันยังเอ้เพื่นหลานชะน้อยก้ น, นยง สมควรจะลาการพัพผ่อมกัน